ในกฎกฎติกาสําหรับวัดของเราอย่างนาคที่เข้ามาแต่ละวันทํำยังไงพอวันผ่านวันหนึ่งไปแล้วนะพวกเราก็คงจะอ่านออกว่ามีอะไรบ้างแต่ละวันเพราะว่าพวกเราก็ามาศึกษาดูตาให้ดูหูให้ฟังใจให้คิดสําเนาอันไหนควรอย่างไร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 เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะเข้ามาคราวนี้ให้ทั้งอกตั้งใจอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวถึงจะข้าวอดอาหารก็ทดลองดูก็ได้หลวงพ่อเคยพูดว่าถ้าใครก็ตามมาอยู่ที่วัดป่านาคำน้อยไม่เคยอดอาหารเลยไม่เคยทดลองในการอดอแปลว่าไม่เคยมาอยู่วัดป่านาคาน้อยฮะหลวงพ่อพูดอย่างนั้นนะต้องทดลองดอูแต่ไม่ใช่ว่าเราจะอดให้อหิวให้หวยอะไรเพียงแต่ว่าขันติ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 ผู้ที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาจากนั้นก็ให้พรแล้วก็ฉันพัตาหารพอฉันพิทาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยพวกเราก็เตรียมตัวล้างบาทเก็บอัฐบริขารหลวงพ่อก่อนทํามีคนมาเกี่ยวข้องหลวงพ่อก็ได้พูดสนทนาปรารบกับผู้คนชั่วระยะหนึ่งจากนั้นหลวงพ่อก็กลับตอนบ่ายโมงบ่ายสองโมงพวกเราก็มาดื่มน้ําปานะ